ปาฏิมากรมัม้งนะโมเดลิวัดแต่ครับอขอเวลาน่าจะได้ประมาณสัก10นาทีนะครับเมื่อบานรู้สึก5นาทีแล้วยังมีเวลาเหลือเยอะอยู่คิดว่าน่าจะสินาทีได้เออไม่งั้นสุลฟัติฮะเราคงจะไม่จบในในเดือนนี้หรือในปีนี้คําว่าอัลฮัมดุลิละนะครับผมความหมายของคําว่าสรรเสริญเออในที่นี้ครับมีคีย์เวิร์ดที่ว่าคําที่เกี่ยวข้องกันมีคําว่าสรรเสริญกับขอบคุณ สารเสริญกับขอบคุณสองคำนี้มีส่วนที่มีความหมายตรงกันแล้วก็มีส่วนที่ว่าที่แตกต่างกันไปบ้างอันนี้ผมพูดในด้านความหมายเชิงภาษาอาหรับนะครับอาจจะไม่ตรงกับภาษาไทยสเสียแต่ถ้าเกิดเทียบมันจะเป็นคำว่าขอบคุณกับสารเสริญคำว่าขอบคุณหรือว่าชุกรุนในภาษาอาหรับเนี่ยเราจะพูดเวลาที่ใครก็ตามทําดีอะไรสักอย่างกับเราเราก็เลยขอบคุณในสิ่งดีนั้นที่เขาทําก็คือต้องมีอะไรสักอย่างมาหาเราเราก็ขอบคุณ อันนี้คือชุกรุนแต่ถ้าเมื่ อ, อไหร่ก็ตามที่เขาทำดีให้กับเราครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่ามันมันมันจนเรารู้สึกตื่นตันรู้สึกว่าเป็นพระคุณแบบใช้ชไม่หมดเราก็จะสรรเสริญเขาเขาเป็นคนดีมากเลยเขาให้ความช่วยเหลือฉันมาตลอดอันนี้เรียกว่าสรรเสริญแปลว่าคาว่าสรรเสริญจะใช้ในความหมายที่กว้างกว่า เราสามารถสารเสริญใครก็ได้ได้ตลอดเวลาโดยที่ว่าเขาไม่จําเป็นต้องหยิบยื่นอะไรให้เราไม่เหมือนกับขอบคุณถ้าขอบคุณนี่คือต้องหยิบยืน่นเราถึงจะขอบคุณแต่สารเสริญนี่คือได้เกิดมันเยอะมากเลยใช้คําว่าฮัมดุนสารเสริญทีนี้ครับในยักกวาดนี้อัลลอฮ์ใช้คําว่าอัลฮัมดูในภาษาหลับถ้ามีคําว่าอัลในที่นี้ในอายา่านี้อัลในที่นี้จะแปลว่าทั้งหมดเลยทั้งหมดของฮัมดู ทั้งหมดของการสรรเสริญหมายความว่าในโลกนี้ใครก็ตามที่ทำความดีจนคู่ควรได้รับการสรรเสริญทําความดีเยอะมากจะเป็นพ่อใครก็ตามจะเป็นแม่ใครก็ตามจะเป็นใครก็ตามที่ควรได้รับการสรรเสริญในโลกนี้ทุกคำสรรเสริญนั้น คนที่เหมาะสมคู่ควรกับมันที่สุดเป็นบุคคลแรกคืออัลลอฮ์นี่คือความหมายอะลัมดุ ล, ลินละฮิรบิดาละมีนก็คือทุกการสรรเสริญที่มีบนโลกคนที่ควรจะได้รับมันมากที่สุดคืออัลลอฮ์ยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนกับคนเป็นแม่ในโลกนี้ไม่มีใครจะมีบุญคุณกับเรามากไปกว่าแม่ถูกไหมครับแต่ถ้าเราจะขอบคุณแม่ของเรา อัลลอฮ์มีบุญคุณกับเรามากกว่าแม่ยังไงบางคนคิดภาพไม่ออกเราคิดดูถึงเวลาที่ผู้หญิงสักคนตั้งคันเวลาที่ผู้หญิงคนเป็นแม่เนี่ยตั้งท้องแม่จะมีความผูกพันกับเด็กที่อยู่ในท้องแม่จะทำไงหครับพยายามกินอาหารที่ดีที่สุดที่มันจะเป็นประโยชน์ให้กับลูกถูกมไหมครับจะประครบประงมจะทำอะไรก็ตามเพื่อลูกแม่ทำได้แค่นี้ แต่สิ่งที่เอาร้าต้องทำมีอะไรบ้างครับอาหารทั้งหมดที่แม่กินเข้าไปแม่ไม่สามารถเลือกได้ว่าอันนี้นะส่งไปให้ลูกแม่ไม่สามารถรู้ได้ว่าลูกในท้องต้องการสารอาหารกี่ร้อยชนิดคือเราไม่รู้เลยถูกไหมครับคนที่เอาสารอาหารทั้งหมดที่แม่กินไปแล้วก็ส่งให้ลูกครบเลยคือใครครับเอาร้อหรือว่างานของเรามีมากกว่างานของแม่เยอะเลยการที่ อสุจิจะไปปฏิสนธิกับรังไข่ทาให้เกิดเป็นตัวเป็นตั้งแต่จุดแรกไปเป็นจุดมาเป็นก้อนเนื้อมาเป็นอะไรก็ตามแต่แต่ละช่วงเนี่ยถามว่าแม่ทําอะไรได้ไหมครับแม่ช่วยอะไรไม่ได้เลยแม่ทําได้อย่างเดียวก็คือพยายามรักษาท้องให้ดีที่สุดไม่ให้แท้งไม่ให้อะไรแต่ที่เหลือเอาล็อจัด ก, การหมดเลยทั้งตัวของแม่ด้วยสุพานล็อตอย่างถ้าเกิดเราดูเราดูสัตว์ ความไม่ตาขอว่ามีใครเคยดูแมวคลอดลูกมังครับ<ม>เวลาแมวคลอดลูกเนี่ยสุภาณเราแปลกนะคือแมวพอมันคลอดลูกมาปุ๊บลูกก็อยู่ในถุงธรรมชาติแม่แมวไม่มีใครไปสอนมาเลยมันกัดถุงน้ําข้ามออกให้ลูกแมวออกมาได้สุภาณเอาละแล้วพอลูกแมวออกมาลูกแมวที่ออกมาก็จะมีมีของแถมมาด้วยครับจะมีพวกรกมีพวกอะไร พอคลอดมาปุ๊บแมวทําไงครับกัดสายลกแล้วก็กินลกทั้งหมดเป็นพลังงานให้แม่ด้วยเพราะแม่ที่คลอดแมวเวลาคลอดลูกมีใครรู้ไหมว่ามันคลอดมันจะไปหาอาหารได้หรือหาไม่ได้ใครดูแลมันอลัอลลอฮ์อัลลอฮ์คือผู้ที่ดูแลลูกแมวที่กําลังคลอดออกมาดูแลจนกระทั่งบอกให้แม่แมวรู้ว่าต้องทําอะไรกับลูกบ้างต้องมีการเลี้ยต้องทําความสานะอาดนคลอดมาคือคนเรายังทําไม่ได้เหมือนแมว แล้วพอคลอดมาเสร็จปุ๊บอัลลอฮ์ก็มีเหมือนกับเป็นขดีขะัญฝากให้แม่แมวด้วยอสําหรับลูกตัวนี้ที่คลอดมานะมีของเป็นอาหารกินแซะจะได้มีพลังงานจะได้มีนมให้ลูกเพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่าในโลกนี้คนที่เราต้องขอบคุณมากที่สุดคือแม่คนที่ทํามากกว่าแม่เราเป็นร้อยเท่าเป็นพันเท่าคืออัลลอฮ์มุสลิมเราวาญิบจําเป็นต้องขอบคุณแม่ วายิบจําเป็นที่ว่าต้องรู้บุญคุณพ่อแม่และในขณะเดียวกันเมื่อวายิบต้องรู้คุณพ่อแม่มีคนมีผู้ที่มีบุญคุณต่อเรามากกว่าพ่อแม่เราอยู่เรายิ่งต้องรักมากกว่าพ่อของแม่เรานี่คือเหตุผลว่าทําไมมุสลิมเรารักอัลลอฮ์มากที่สุดรักมากกว่าแม่ของเราเองเสพอีกเพราะพระองค์ทำให้กับเรามากกว่าที่แม่ทําให้กับเราเสอีกทั้ทงอยู่ในท้องจนถา้าพอคลอดออกมาปุ๊บสุภาอัลลอฮ์ นมมาจากไหนผู้หญิงอยู่ๆก็มีน้ํำนมบ อ, อกมาพร้อมให้ลูกกินแม่ทําอะไรไม่ได้เลยแม่ทําได้แค่กินอาหารที่เป็นประียวให้กับลูกเพื่อจะไดจะได้มีนมแล้วก็นมมีทั้งต่อมนมมีทั้งเยอะแยะที่แพทย์ยังให้คําตอบไม่ได้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายคนเป็นแม่สารมันเกิดอะไรขึ้นแล้วพอเด็กออกมาคลอดออกมาปุ๊บอาหารที่เด็กคนนั้นกินเข้าไปหลกักๆมีแค่นมสองปี